225มัตตสันตกะกะถาว่าด้วยการให้บริขารของภิกษุมรณภาพแก่ผู้พยาบาลไข้เรื่องภิกษุและสา ม, มเณรเป็นไข้367สสมัยนั้นภิกษุสองรูปเดินทางไกลไปในแคว้นโกสนเธอทั้งสอง เดินทางไปยังอาวาสแห่งหนึ่งภิษุรูปหนึ่งในอาวาสนั้นเป็นไข้ลําดับนั้นภ uh ิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษากันดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาครทรงสรรเสริญการพยาบ า, า, บาลภิสุไข้พวกเราจงพยาบาลภิษุรูปนี้กันเถิดแล้วพากันพยาบาลพิษุไข้นั้น ลำดับนั้นพิกษุเหล่านั้นได้ปรึกษากันดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงสันเสริญการพยาบาลพิกษุไข้พวกเราจงพยาบาลพิกษุรูปนี้กันเถิดแล้วพากันพยาบาลพิกษุไข้นั้นเธอได้รับการพยาบาลอยู่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 และจีวรแต่ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไขเป็นผู้มีอุปการะมากภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สงมอบไรจีวรและบาทแก่ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข